จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สี่พฤสภาองค์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสเดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญ ให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรร ม, มเพื่อเพื่อความสุขและความเจริญที่แท้จริงส่วนวันอื่นราตโยมต้องไปทำมาหาเกณฑ์หาเงินหาทองวันนั้นก็เป็นการไปหาความสุขที่ ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขกลองความสุขกลองเป็นอย่างไรก็เป็นความสุขที่ชั่วคราวไม่ถาวรส่วนความสุขที่แท้จริงนี้เป็นความสุขที่ถาวรความสุขที่ถาวรนี้อยู่ที่ใจไปกับใจใจเป็นสิ่งที่ถาวรส่วนความสุขที่ ไม่ถาววอนอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่รายยศสรรเสริญอยู่ที่การได้สัมผัสรับรู้ได้เสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆเป็นความสุขชั่วคราวได้แล้วก็หมดไปเวลาร่างกายตายไ ป, ไปความสุขต่างๆที่หาผ่านทางว่างกาย ก, ก็หมดไป จึงถือว่าเป็นความสุขกลอความสุขแท่นี้ไม่หมดไปความสุขที่ได้จากการทำบุญให้ทานความสุขที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมอันนี้จะติดไปกับใจจะอยู่กับใจเพราะใจไม่มีวันตายเวลาร่างกายนี้ตายไป ใจก็เอาความสุขที่มีอยู่ในใจไปด้วยแต่ไม่สามารถเอาความสุขของทางร่างกายไปได้ดังนั้นเราจึงควรให้ความสําคัญต่อความสุขทางจิตใจให้มากยิ่งกว่าความสุขทางร่างกายแต่ถ้าเรายังไม่สามารถสร้างความสุขทางใจให้ได้มากเรายัง ต้องอาศัยความสุขทางร่างกายไปก่อนก็ขอให้เรารู้จากเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขทางร่างกายความสุขทางโลกมีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. ความสุขที่เกิดจากการได้ทรัพย์หรือมีทรัพย์ 2. ความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์ 3. ความสุขที่ได้จากการ ไม่มีหนี้สินและสีความสุขที่ได้จากการกระทําที่ไม่เกิดโทษอันนี้คือความสุขทางโลกพระพุทธเจา้าทรงสอนไว้อยู่สข้อด้วยกันคือ 1. ความสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์จะทําอย่างไรเราถึงจะได้ความสุขจากการได้ทรัพย์มีทรัพย์ ก็ต้องได้ทรัพย์มาด้วยวิธีที่สุจริญได้มาด้วยสัมมาชีพไม่ใช่ได้มาด้วยวิธีที่ทุจริตหรือประกอบมิจฉาชีพเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพติผิดประเวณีพูดปกอมเท็จโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาวความสุขเหล่านี้ ถ้าได้มาจากการทำบาปก็จะไม่เป็นความสุขจะเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าจะต้องใช้บาปใช้กรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหลังจากที่ตายไปแล้วดังนั้นการมีทรัพย์จึงต้องมีด้วยการมีอาชีพที่สุจริตมีสา ม, มาชีพทำงานทำการ ด้วยสติปัญญาด้วยลําแขงลรังขาด้วยความสุดจริญคือไม่ประพฤติผิดทางกฎหมายหรือทางศีลธรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายาเมาง่ายโกหกหลอกลวงถ้าหาทรัพย์มาด้วยวิธีที่สุดจริญก็จะไม่มีทุกข์ตามมาไม่มีปัญหาตามมา แต่ถ้าหาทรัพย์ด้วยวิธีทุกจริตก็จะมีปัญหาต่างๆตามมามีความทุกข์ความวุ่นวายใจความไม่สบายใจตามมานี่คือเหตุของการมีความสุขข้อที่หนึ่งก็คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์เหตุของความสุขข้อที่สองก็คือการได้ใช้ทรัพย์ ว่าเรามีทรัพย์แล้วเราก็ต้องรู้จักใช้ทรัพย์เพราะว่าการใช้ทรัพย์นี้ก็ใช้ไปได้หลายทางด้วยกันใช้ไปในทางที่ทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขก็ได้ใช้ไปในทางที่ทำให้เกิดโทษเกิดความทุกข์ก็ได้ดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีใช้ทรัพย์ถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการใช้ทรัพย์ การใช้ทรัพย์ที่ทำให้เกิดความสุขใช้อย่างไรก็คือใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นใช้กับปัจจัยสี่คือเครื่องนุมยาอาหารเครื่องนุ่มหอมยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยอันนี้ใช้เราก็จะเกิดประโยชน์กับร่างกายรักษาร่างกายให้อยู่ไปอย่างน่มเย็นเป็นสุข อยู่อย่างปกติสุดไม่อดอยาขาดแฟลนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ถึงกับความตายนี่คือการใช้ทรัพย์ที่เกิดประโยชน์เอาเงินมาซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าถ้ายังมีไม่พอถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อเอามาซื้อยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเอามาซื้อที่อยู่อาศัย ถ้ายังไม่มีที่อยู่อาศัยถ้ามีแล้วก็ไม่ควรจะที่จะซื้ อ, อ <Herm ann. S 1> เพื่อเราจะได้มีเงินเก็บไว้บ้างถ้าเราซื้ออย่างไม่รู้จักประมาณซื้อตามความชอบใจเงินทองก็อาจจะหมดไปจ ะ, จะไม่มีเงินเก็บไว้สำหรับอนาคตแลนะจะไม่มีเงินเก็บไว้สร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ใจ ก็คือการทำบุญให้ทาง น, นอกจากการเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูจิตใจของเราด้วยสร้างความสุขให้กับใจเราด้วยราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรถ้าเราไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายเราก็อาจจะไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บไว้ หรือที่จะเอามาทำบุญให้ทางดังนั้นการใช้สอยกับปัจจัยสีนี้เราต้องรู้จักประมาณคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอาหารรับประทานพ อ, อเพอิยงก็พออาหารไม่จาเป็นจะต้องมีราคาแพงๆต้องไปรับประทานตามร้านอาหารหรูหราตามโรงแรมต่างๆเพราะ เป็นการเสียเงินทองไปโดยปลาประโยชน์เพราะรับประทานเสร็จแล้วก็อิ่เหมือนกันรับประทานก๋วยเตี๋ยวข้างถนนกับเป็นรับประทานอาหารในพัตตะการในโรงแรมก็อิ่เหมือนกันแต่เงินทองนี่หมดไปมากกว่ากันรับประทานอาหารข้างถนนก็หมดไปไม่กี่บาท ถ้ารับประทานอาหารตามโรงแรมตามพัตคารที่หรูหราก็จะหมดเงินทองไปหลายเท่าโดยไม่จำเป็นนี่คือวิธีการใช้ปัจจัยสี่ขอให้ใช้อย่างประหยัดใช้อย่งอางรู้จักประมาณแต่ก็ไม่ให้ประหยัดจนกระทั่งอดอยากขาดแคลนอย่างนั้นก็ไม่ถึงรับประทานอาหาร ให้พอดีกับฐานะของเราเรามีเงินทองมากหน่อยเราก็อาจจะรับประทานอาหารที่แพงหน่อยก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากเราอยากจะเอาเงินไปทำบุญอย่างนี้ก็จะดีกว่าเรารับประทานอาหารให้ใช้เงินน้อยที่สุดแต่ได้ประโยชน์เท่าที่ต้องน่างกายต้องการ นี่คือการใช้เงินที่ฉลาดใช้เงินที่จะเกิดความสุขแล้วเราก็เช่นเดียวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเราก็ใช้ไปตามความจำเป็นถ้าเราขาดแฟลนเราก็ควรจะซื้อมาเพิ่มเติมถ้ามันไม่ขาดถ้ามันมีมากเกินไปแล้วก็ควรหยุดซื้อได้แนละ้วเช่นมีกระเป๋ากี่ใบแล้ว มีรองเท้ากี่คู่แล้วมีกะโปรงมีเสื้อผ้ากี่ชุดแล้วควรที่จะรู้จักคำว่าพอรู้จักประมาณคือความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะจะสูญเสียเงินทองไปเปล่าประโยชน์ช่วยอาเงินทองมาสร้างความสุขให้กับใจ ด้วยการไปทำบุญให้ทานจะดีกว่านี่คือการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ใช้กับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้สว่วนอย่างไว้สำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราอาจจะพิกลพิการเราอาจจะตกงานไม่มีรายได้ เราจะได้อาศัยเงินทองที่เราเก็บไว้มาจุนเจือแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือให้เอาเงินนี้ไปทาบุญให้ถาวเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรที่จะติดไปกับใจต่อไปนี่คือวิธีการใช้เงินที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมาวิธีที่ใช้เงินแล้วทําให้เกิดโทษก็คือการใช้เงิน กับสิ่งที่เป็นโทษเช่นนำเอาไปซื้อสุรายาเมามาดื่มเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวคลางคืนอนการใช้เงินแบบนี้จะมีแต่สูญเสียมีแต่โทษตามมาเสียเงินทองแล้วยังต้องเสียสุขภาพร่างกายเช่นซื้อสุรามาดื่มดื่มมากๆโรค ก, ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บ เป็นโรคตับแข็งเป็นโรคพิษสุราเรื่อรั้จะต้องตายไปก่อนวัยอันควรเพราะการใช้เงินไม่เป็นใช้เงินจับสิ่งที่ทำให้เกิดโทษหรือเอาไปเล่นการพนันเล่นการพนันนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใครจะรวยจากการพนันมีแต่จะหมดเนื้อหมดตัวกับการเล่นการพนันเวลาหมดเงินหมดทองแล้ว ยังต้องเอาทรัพสมบัติเข้าของมาขายขายบ้านขายช่องขายที่เพื่อมาเล่นการพ น, นันจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกถ้าไม่มีปัญญาจะใช้หนี้สินก็อาจจะถูกเจ้าหนี้มาปองร้ายมาทำร้ายร่างกายมาฆ่าดได้เขาว่าการเล่นการพนันนี้ มันร้ายแรงกว่าการถูกขโมยขึ้นบ้านเวลาขโมยขึ้นบ้านนี้เขาก็เอาไปได้แต่ทรัพย์สินข้าวของต่างๆแต่เขาเอาบ้านไปไม่ได้เอาที่ดินไปไม่ได้การเล่นการพนันนี้ร้ายแรงกว่าไฟไหม้เพราะเวลาไฟไหม้ก็ไหม้แต่บ้านไหม้แต่ข้าวของแต่ไม่ไม่สามารถไหม้ที่ดินได้ จากการเล่นการพ น, น, นันนี้สามารถเอาไปหมวกได้เอาสมบัติเข้าของเงินทองไปได้เอาบ้านไปได้เอาที่ดินไปได้และเอาชีวิตของเจ้าของบ้านไปได้ถ้าไปเล่นการพนันแบบแบบติดแบบเลิกไม่ได้ก็จะต้องสูญเสียหมดเลยนี่คือการใช้เงินที่เกิดโทษอย่าไปใช้กับ การเล่นการพนันอย่าไปใช้กับการดื่มสุรายามาอย่าไปใช้กับการไปเที่ยวตามสถานท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะยามราตรีกอเป็นการไปเสพการไปดื่มสุราการการหาความสุขแบบนี้จะทำให้หมดเนื้อหมดตัวหมดงินหมดทอง เพราะว่ามันไม่มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินแบบนี้การใช้เงินหนึ่งอย่างที่ควรจะระมัดระวังก็คือการใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีแต่เห็นล้วติดตาติดใจอยากได้อย่างนี้ก็ไม่ควรซื้อมาซื้อมาแล้วก็จะกลายเป็นขยะลกลุมนัอยู่ในบ้าน ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรสู้เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ถ้าอยากจะใช้เงินให้เกิดเงินก็คือเอาไปลงทุนเอาไปซื้อหุ้นเอาไปฝากธนาคารเอาไปซื้อทรัพย์สินต่างๆซื้อที่ดินซื้อตึกรามบ้านช่องอย่างนี้ก็จะทำให้มีเงินทองเพิ่มขึ้นมา เป็นการใช้เงินที่เกิดประโยช <c oughs> น์เกิดความสุขนี่คือความสุขที่ได้จากการใช้เงินและความทุกข์ที่ได้เกิดจากการใช้เงินอยู่ที่ว่าเรารู้จักใช้เงินหรือไม่ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกก็ได้ประโยชน์ได้ความสุขถ้าใช้ไปในทางที่ผิดก็จะเกิดโทษความสุขข้อที่สา ก็คือการไม่มีหนี้เวลามีหนี้แล้วใจจะไม่สุขใจจะไม่สบายก็จะต้องคอยวิตกกังวลกับการหาเงินมาใช้หนี้วันไหนไม่สามารถให้หนี้ได้วันนั้นก็จะถูกเจ้าหนี้มาตามมาตามดา่ามาตามว่ามาข่มขูตม่ต่างๆนาน า, นานถ้าไม่อยากจะมีหนี้ก็ต้องรู้จักประหยัดรู้จักใช้เงิน กับในสิ่งที่จำเป็นรู้จักอดออมแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักอดออมไม่รู้จักประหยัด<ม>เห็นอะไรก็ซื้อมาหมดชอบอะไรก็ซื้อมาหมดเมื่อโดยไม่ใช่สติปัญญาพิจารณาความเหมาะสมว่าควรหรือไม่ควรจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดหนี้ได้ พอเกิดหนี้แล้วก็ต้องมีการใช้หนี้พอเวลาไม่สามารถใช้หนี้ได้ก็จะต้องถูกยึดทรัพย์ยึดสินต่างๆที่ได้ซื้อมากับคืนไปนี่คือไม่ใช่เป็นความสุข ด, ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าซื้อของเงินผ่อนเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าเก็บเงินไว้ในธนาคารยังได้ดอกเบี้ยแล้วพอมีเงินพอแล้วค่อยซื้อด้วยเงินสด ซื้อด้วยเงินผ่อนไม่ได้ดอกเบี้ยแล้วยังต้องเสียดอกเบี้ยอบางทีซื้อรถคันหนึ่งนี้ต้องซื้อให้ธนาคารอีกคันหนึ่งซื้อสองคันเพราะว่าเราไปกู้เงินธนาคารมาก็ต้องเสียดอกส่งให้ธนาคารดังนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่เหนือบ่าฝ่าแรงจริงๆก็อย่าไปมีนี่ใช้ความอดทนอดกลั้น อยู่ตามสภาพของเราไปดีกว่าอาจจะลากยากลาบากบ้างไม่มีรถยนต์จะขับไปไหนมาไหนแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมาวิตกกังวลกับการใช้หนี้นี่คือกับความสุขถ้าเราไม่มีหนี้แล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้ามีหนี้เราก็จะต้องวิตกกังวลกับการหาเงินหาทองมาใช้หนี้ ข้อที่สี่ก็คือการกระทําความสุขที่เกิดจากการกระทําที่ไม่เกิดโทษนั้นก็คือการกระทําของเรานี้มีหลายแบบด้วยกันทําแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสุขก็มีทําแล้วเกิดโทษก็มีการที่การกระทําที่เกิดโทษก็คือการกระทําผิดศีลผิดกฎหมายการกระทําการทำหมา ก, กิน แบบมิจฉาชีพนี่คือการกระทำที่เราไม่ควรกระทำคือเราไม่ควรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมวดเทศเสพสุรายาเมาโกหกหลอกลวงเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนครบคนชั่วเป็นมิจมีความเกลียดค้างการกระทำเหล่านี้ไม่ได้นำมาซึ่งประโยชน์ ไม่ได้นำมาสึ่งความสุขความเจริญแต่นำมาสึ่งโทษนำมาสึ่งความเสือ่อมนำมาสึ่งความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราไม่อยากจะมีโทษไม่มีทุกข์ก็ขอให้เราอย่าไปทำบาปอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำอาชีพที่ไม่สุจริตเช่นค้ายาเสพติดทำอาชีพที่จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับเข้าคุกเข้าตารางไปนี่คือความสุขทางโลกมีอยู่4ีประการด้วยกันคือหนึ่งความสุขที่เกิดจากการได้ทรัพย์มีทรัพย์สองความสุขที่เกิดจากการได้ใช้ทรัพย์สามความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้และสีความสุขที่เกิดจากการกระทําที่ไม่เป็นโทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสุขเหล่านี้ ก็ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรยังไม่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะว่าทำไปแล้วมันก็ผ่านไปหมดไปเวลาร่างกายตายไปความสุขต่างๆเรานี้ก็หมดไปเ่อให้เรามีมากน้อยเพียงไรเราก็ไม่สามารถเอาติดตัวกับเราไปได้ดังนั้นเราจรงไม่ควรเก็บทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไว้มากจนเกินไป ถ้ามีมากก็ควรเอามาทําบุญให้ทานเพื่อจะได้เป็นทรัพย์ภายในแปลงทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในด้วยการทําบุญให้ทานพอทําบุญให้ทานแล้วก็จะเกิดบุญขึ้นมาภายในใจบุญที่เกิดขึ้นภายในใจก็คือความสุขใจนี้เองที่จะติดไปกับใจไม่ว่าใจจะอยู่ที่ใดเวลาสถานที่ใดเวลาใด ใจจะมีความสุขตลอดเวลานี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่แท้จริงเราก็ทำไปพอประมาณพอให้มันไม่ทุกทรมานใจแต่เราควรที่จะามาสร้างความสุขทางใจความสุขที่แท้จริงให้มากขึ้นไปตามระดับขั้นตอนก็ให้ทำบุญให้ทานําเงินนาทองมา แบ่งปันให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือจะนำเอาไปให้กับสาธนะารณองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลให้กับวัดวาอารามให้กับมูลนิธิต่างๆที่ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณทาแล้วก็จะทําให้ใจของเรา มีความสุขมีบุญมีสร้างภายในแล้วก็ทําให้เรามีความเมตตาที่จะทํำให้เรานี้ไม่อยากเบียดเบียนผู้อื่นพอเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็จะรักษาศีลได้เราก็จะสร้างความสุขระดับที่สองขึ้นมาได้ก็คือความสุขที่ได้จากการรักษาศีลเวลาเรารักษาศีลได้ใจของเราจะเย็นจะสบาย ไม่วุ่นวายไม่วิตกกัวงวลกับบาปกรรมต่างๆเพราะว่าไม่ได้ทำบาปทำกรรมนั่นเองแต่ถ้าเรารักษาศีลไม่ได้ยังทาบาปอยู่เช่นยังโกหกอยู่เวลาเราเห็นคนนั้นคนนี้เราก็อาจจะกลัวว่าเขารู้หรือว่าเราโกหกหรือเปล่าเราก็จะไม่สบายใจ เช่นโกหกสามีโกหกภรรยาก็กลัวว่าสามีหรือภรรยาจะจับได้ว่าเราพูดโกหกก็จะทำให้เราไม่มีความสุขใจแต่ถ้าเราไม่ทาบาเรารักษาเสียนได้เราจะมีความเย็ยนใจสบายใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับการกระทำบาปต่าง พอเราใจของเราสงบเย็นสบายก็จะทำให้เราทำความสุขขั้นที่สามได้ก็คือการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเจริญสติก็คือควบคุมใจของเราไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธให้ท่องพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่ชอบพุโทโธเราชอบสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วไม่นานใจของเราก็จะหยุดคิดแล้วใจของเราก็จะสงบเป็นสมาธิมีความสุงมีความอุเบกขารู้สึกเฉยๆไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆ ไม่วุ่นวายกับการกระทำของคนต่างๆไม่วุ่นวายกับการพูดของคนต่างๆเพราะใจมีความสงบแต่ถ้าใจไม่สงบแล้วเห็นคนทําอะไรพูดอะไรก็จะไม่สบายใจขึ้นมาเห็นเกิดการอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาก็จะไม่สบายใจเพราะใจไม่สงบนั่นเองเราจึงต้องมาฝึกทําใจให้สงบให้ได้ เพราะการทําใจให้สงบนี้เหมือนทําใจให้เป็นเหมือนก้อนหินใหญ่ๆถ้าใจเป็นก้อนหินใหญ่ๆแล้วต่อให้พายุพัดมา ก, ก็ไม่สามารถที่จะมาขยับขยื่นก้อนหินได้ต่อให้มีเหตุการณ์ร้ายแรงรุนแรงขนาดไหนจะเกิดขึ้นก็ตามใจจะไม่หวัน่นไหวใจจะไม่เดือดร้อนใจจะรู้สึกเฉย แต่ถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มีความสงบแล้วใจจะเป็นเหมือนปุยนุ่นเวลาลมพัดมาเบาๆปุยนุ่นนี้ก็จะลอยไปกับลมทันทีเวลาเห็นใครพูดอะไรทำอะไรก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีอารมณ์วุ่นวายว่าวุาว่นขุ่นบัวไม่พออดไม่พอใจเนื้อเกิดความโลภโมโทสันเกิดขึ้นมาทันที เพราะใจไม่มีความหนักแน่นไม่มีสมาธินั่นเองไม่สงบเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำใจของเราให้หนักแน่นเพราะความหนักแน่นความสงบของใจนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเองเวลาใจเราสงบแล้วจะไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับความสงบเราจึงควรที่จะพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิให้ได้ผลนี้เราต้องมีสติออก่อนเพราะถ้าเราไม่มีสติเวลามานั่งสมาธิใจก็จะไม่ยอมอยู่กับพุโทโธไม่ยอมอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดไว้ใจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่เกิดผลตามมาแล้วก็จะไปโทษว่าใช้กรรมฐานผิดชนิดบ้าง ควรจะใช่อย่างนั้นควรจะใช่อย่างนี้ความจริงมันไม่ใช่ที่กรรมฐานเป็นปัญหาไม่ใช่อารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกากับใจเป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ไม่มีสติที่จะควบคุมบังคับใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราได้กำหนดไว้นั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามสร้างสติอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็ยังไม่มีความสุขใจถ้าไม่มีความสุขใจก็จะไม่สามารถตัดตันหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเรามีความอิ่มมีความสุขแล้วเวลาใจเกิดความอยากเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เพราะเราจะสอนใจให้รู้ว่า ความทุกข์ของเรานี้ไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นความทุกข์ใจความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราเราสร้างความทุกข์ให้กับเราเองด้วยก็มีความอยากต่างๆอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ไม่สบายใจทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิและมีปัญญาคอยสอนใจว่าอย่าไปอยาก อย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราพอเราบอกให้ใจหยุดอยากใจก็จะหยุดได้ถ้าเราถ้าใจมีสมาธิอยู่แล้วถ้าไม่มีสมาธิบอกให้หยุดก็หยุดไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพื่อให้มีสมาธิเพื่อจะได้หยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไรแล้วต่อไป ไม่ว่าใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรใครจะดีใครจะชั่วไม่ว่าร่างกายของเราหรือของเขาจะแก่หรือจะเจ็บจะตายไปเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่วุ่นวายเพราะเราไม่ได้มีความอยากในร่างกายของเขาหรือของเราเช่นอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายถ้าเราไม่มีความอยากต่างๆแล้วเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวาย กับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่แลคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรถ้าได้ความสุขแบบนี้แล้วก็จะไม่มีวันหมดไปเช่นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับหลังจากที่ได้ทรงตัดสรูวแล้วก็เป็นความสุขที่คงอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาจนถึงบัดนี้ความสุขนั้นก็ไม่ได้หมดไปจากพระทัยของพระพุทธเจ้า ถ้าพวกเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรก็อขอให้เรามาทําบุญให้ทานกันมารักษาสีงกันมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับความสุขชั่วคราวเวลาที่เราจะต้องสูญเสียพัดผ้าจากความสุข ทางราบยศสระเสริญความสุขทางร่างกายไปนี่คือเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้รู้ถึงความสุขสองชนิดเพื่อเราจะได้ปฏิบัติสร้างความสุขที่แท้จริงไม่หลงกับการไปสร้างความสุขชั่วคราวที่จะมีความทุกข์ตามมาต่อไป